เคยเล่าเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงิน 2479 คือชาวบ้านดอนใหญ่ คนดอนใหญ่หอมนี่รวยกันเยอะสมัยนั้นทุ่งรวงทองของดอนใหญ่หอมให้ความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายกําลังลงแขกเกี่ยวข้าวอยู่ข้างท้ายหมู่บ้านทํางานกันๆ แล้วก็การก็เป็นจริงเพราะคนที่ท่าทางเป็น ปรากฏว่าลูกน้องของไอ้เจ้าคนนั้นน่ะอ่าบอกว่าอย่าไปเชื่อมันมันต้องมีชาวทั้งผู้ชายผู้หญิง จะจะคนตัวหาร่องรอยอย่าขัดขืนเจ้าพนักงานนะชาวคน 20 คนเดินเรียง ชายทั้ง 4 คนก็กระจายวงกันออกล้อมชาวบ้านไว้ คนนึงในจํานวน 20 คนก็ทําใจดีสู้เสือกันล่ะเออพ่อคุณเอ้ยๆไม่มีอะไรติดตัวมารอกจะปล้นก็ ilango wechat มึงตายหวงให้เบิ่งใครใช้พูดอย่าไอ้เสี้ยนอย่าตามกฎของกูกูจะฮะรอดมึงที่พี่ฝูงห้ามไว้นะไม่งั้นกู กินมีเงินมีทองกันสมบูรณ์กูก็เลยมาดูและมาหาความจริงๆแล้วบาท กูจะปล่อยกลับมาคนนึงเพื่อให้นําเงินค่าถ่ายไปให้กูถ้าพวกมึง ที่พาตัวประกัน 8 คนไปไม่ทันทั้ง 8 คนไปถึงชุมโจรแล้ว เขาจะพาใครมาไม่ได้ต้องมาคนเดียวนะไม่งั้นอี มาถึงเขตหลักถึงเขตหลักเอ่อจังหวัดราชบุรีม้าตัวนึงก็พุ่งออกมาขวางหน้าอ่าถึงแม้ว่า จำไว้พอย่ำรุ่งของคืนวันนั้นผู้ 7 คนก็ถูกพามาส่งใกล้กับบ้านดอนใหญ่หอมแล้วก็ให้เดินฝ่าความมืดจนเข้าบ้าน ว่าเหตุคราวนี้มันเป็นเวรกับกรรม ตำรวจก็ทำหน้าที่อยู่ ก็เร่งแต่ก็ยังไม่ได้ร่องรอยเจ้าหน้าที่ตำรวจออก คืนวันที่เลี้ยงฉลองความสําเร็จหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกราเสือเสียนก็ขว้าขวาน เสือฟงถึงได้เสวยกรรมถึงแก่ความตายไปหลังจากฆ่าเสือฟง เพราะว่าเสือเสียนนําสมุนคู่ถึงท้ายบ้านดอนใหญ่หอมหลังจากเหตุการณ์เรียกค่าถ่ายครั้งแรกผ่านไปได้เพียง 7 วันเท่านั้นเองบ้านทรงปัญญาที่คลองจินดาเขตติด ก็เลยต้องลงมือฆ่าไก่มาต้ม <c oughs> เมียเจ้าของบ้านกับลูกสาวและลูกชายที่โจรจับไว้เป็น หลวงธานินทร์ก็สั่งให้แบ่งกําลังออกเป็น 2 ส่วนโอบล้อมบ้านข้างหลังไว้อ่าเข้า เสร็จแล้วออกคําสั่งให้ออกจากบ้านไปด้านข้างที่ติดคันนามันไปอยู่ในดง พอเข้ามาถึงคันคูด้านหลังจะทิ้ง จ่าร้อยได้สติก็คลานเข้าไปลากเพื่อนออกมาจากจุด เสียงปืนดังโต้ตอบกันเป็นระยะสลับในทุ่งเหตุการณ์กําลังตึงเครียดคุณ เวนมาถึงกรรมมาถึงจริงๆอย่างที่หลวงพ่อเงินเทพเจ้าดอนใหญ่ หลวงพ่อเงินเทพเจ้าดอนใหญ่หอมยืนเด่นเป็นสง่าเบื้องหน้าท่านก็เป็นกระถางมังกรที่ 10 วัด บาปท่านก็พึมพำพวกโจรมันสร้างๆเสียงโห่ร้องของชาวดอนใหญ่ และแน่นอนที่สุดหลวงทานนินทร์ถึงก็ต้องร้องห้ามพวก ลูกปืนไม่รู้กระดอนไปไหนไม่มีใครต้อง จะสั่งให้บุกเข้าไปแบบดาหน้าก็กลัวจะบาดเจ็บล้มตายก็ได้แต่ให้ยิงเข้าไปเป็นระยะระยะฝ่ายชาวบ้านนั้นมีคน ยังไม่ทันจะมีใครห้ามเจ๊กบุญกวงก็อ้อมไปข้างหลังค่อย แล้วก็ความเจ็บแล้วก็จุกเสียดก็ทําคลาดว่าเพื่อนยิงอยู่อย่างไม่หยุดเต็มแรงล็อกกด ปืนลูกทองทําท่าจะหันกลับมาระเบิดกระสุนอ่าแจ็คบนกวงก็ร้องเสียงลั่นว่าว่ากบไว้อยู่เลี้ยวชาวดอนใหญ่หอมหูร้องลั่น คน 200 กว่าคนไม่ฟังเสียงแล้วทั้งยิง 3 เสือนี่แหลกเละอยู่กับที่ดูแล้วน่าทุเรศหลวงทานดินเนี่ยถึงกับ ชาวบ้านดอนใหญ่หอมก็กลับบ้านพร้อมกับเสียงหู่ร้องของผู้มีชัยหลวงพ่อเงินเมื่อกราบ โดนชาวดอนใหญ่หอมเข้าประชาทันตายเวรย่อมสิ้นสุดลงด้วยกรรมและกรรม 200 กว่าคนกับคนคน 3 คนที่ผูกเออชาวบ้านไป พอเห็นชาวบ้านหลวงพ่อก็ของเสือศรกับบอกอ่าบอกกับทุกคน พวกหลวงพ่อท่านเสียใจที่พวกเราระงับเวรด้วยการสร้างกรรมในการฆ่าพวกไอ้ เวนสนองกรรม